คือพระพุทธเจ้าแต่ละองคละองแล้วยึงได้ให้นามว่าธรรมอันเป็นคู่เคียงของโลกคำว่าโลกนี้มีทั้งฝ่ายอธรรมอยู่ด้วยมีทั้งธรรมด้วยแทรกอยู่ด้วยกันจัตทั้งหลายจึงมีการแสดงกิริยา ช่วและดีอยู่เป็นประจำเพราะคำวมาโลกมันมีมีได้ทั้งสองฝ่า ย, ออาายาธรรมก็แสดงออกมาได้ฝ่ายอธรรมก็แสดงออกมาได้เป็นคำว่าธรรมล้วนๆนั้นจะสัมผัสได้จะเข้าใจ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 ก็คือมีแต่อธรรมล้วนแสดงแผดเผาเหมือนกับว่ามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่มีน้ำเป็นเครื่องดับไฟบ้างเลยนั่นโลกร้อนมากตรงนั้นนี่พูดพอเป็นแนวทางให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้โอปนญยิกน้อมเข้ามาสู่ใจของเราในระยะที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลย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 นี่คือเรื่องของอธรรมเป็นอย่างนี้แล้วในระยะนั้นแหลเป็นระยะที่มีความทุกข์ความลำมากมากภายในจิตใจของสัตว์ของเราระยะใดพอพอเราได้มีความ ร, รู้ภายในอัตในธรรมมีสติ เป็นเครื่องรักษามีปีปัมีปัญญาเป็นเครื่องกั่นกรองปัญญิัญชาระาายะนั้นหรือเวลานั้นถ้าเป็นโรค ก, ก็เท่ากับได้ยารักษาหรือบรรเทากันไปได้โดยลำดับเพราะยานี่หมายถึงบุคคลแต่ละคนคือเรานักปฏิบัติแต่ละองค์ละรูปละละ น้าลายนี่นะดูเอาตรงนี้ถ้าเวลาใดสติไม่มีสติร่มลุกคุกรานมากปัญญาหาทางเกิดไม่ได้เลยเพราะกระแสะของอิเลสมันพัดมันผันเวลานั้นความทุกข์ภายในจิตใจมาก ร้อนก็ร้อนมากความสาส่แสความมาบุ่นขุนมัวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรวมลงไปก็เป็นกองทุกรวมอยู่ภายในหัวใจดวงใจที่หาสติหาปัญญาเครื่องต้านทานไม่ได้นั่นแหละ เพราะกระแสของยีเรตตามปกติแล้วมีความมุนแรงอยู่โดยลำพังตนเองเสมอนอกจากไม่แสดงผ่าผุา น, ผานอยู่เรื่อยๆเท่านั้นในวงผู้ปฏิบัติเพราะในอาศัยธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องกาจัดปัดเต่อกันอยู่ไม่ได้ปล่อยให้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 พระองค์เอมให้โลกทั้งหลายได้เห็นมากพระองค์นี้เป็นผู้อัศจรรย์ด้วยการโอร้อวดไม่อัศจรรย์ด้วยความจริงแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงอันเด่นในพระไตรทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลให้เป็นคติตัวอย่างและเป็นวิธีวิถีทางเดินให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยึดได้นําไปปฏิบัตินั่นแหละ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 ก็อวดะองค์โดยเจตนาแฝงอยู่แม่นิดหนึ่งเลยแต่เป็นเรื่องของพระเมตตารุ่ล้วนที่จะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่เป็นอยู่ในประเทศไทยว่าทําอย่างไรสัตว์ทั้งหลายจึงจะได้อุบายได้แนวทางหรือเรายื่นมือไปจึงจะจับมือเราได้เพื่อเราจะได้ฉุดได้ลากขึ้นมาจากที่หลงเหลือ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 ของพระพุทธิจ้าแต่ละพระองค์เจิงแสดงออกด้วยลวดลายของสัตว์ดาที่เต็มไปด้วยพระเมตตาแกบ่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับเป็นที่พึงพอใจตามสติกำลังความสามาร ถ, าารถหรือว่าภาชนะแห่งใจของตนอำนาจวาสนาของตนจะรับได้มากน้อยเพียงไรก็ตักตวงไปเต็มสติปัญญาความสามารถของตนนี่ที่เราเกี่ยวข้องกับหมูคณนะเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกัน เราพูดได้อย่างองอาจกล้าหาญภายในความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้ว่าเวลาลมลุกคุกคามไม่เป็นท่าเราก็เคยเป็นมาแล้วได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังจนถึงนั่งหายใจเข่าแมวขาแมวเพราะถูกกิเลสมันย่ำยีตีแหละไม่มีสติปัญญาใดที่จะโผล่ขึ้นมาต่อสู้กับมันได้แหลกไปหมดถ้ายกถ้าจะยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ ยกมีดขึ้นมาถูกมันปัดลงไปมีดขาดสะบัดลงไปมีดเป็นเหล็กตั้งแทงไม่น่าจะขาดแต่ขาดลงไปเพราะพลังของมันเพราะอํานาจของกิเลสมันเชี่ยวจัดขนาด น, นั้นนี่เวลาเราธรรมะเราอ่อนเปียกยกอะไรขึ้นมาไม่เป็นท่าเดินจงกรมก็เดินสักแต่ว่าเท้าก้าวเดินไปเช่นั้นเหมือนกับคนตั้งหลายเขาเดินตามแผ่นดินสถานที่ต่างๆ ไม่มีมีแต ก, กอะไรเลยเพราะสติปัญญาถูกมันปัดมันตีออกมานั่งคืนน้ำลายอยู่นี่ก็เป็นมาแล้วแต่สำคัญที่ความพยายามไม่ลดหลักถ้าลงมีความท้อถอยน้อยใจอ่อนแอแล้วจะล้มละลายไปเลยหาทางฟื้นตัวไม่ได้แต่นี่เดชะไม่เป็นถึงจะเป็นขนาดไหนความมุ่งมั่น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 ไม่อยากวิธีการฝึกอบรมก็หาหลายหลายหาวิธีการหลายด้านหลายทางเช่นอดนอนนี่ก็เคยอดทดลองดูกี่คืนไม่นอนสองคืนสามคืนไม่นอนไปลองไม่เป็นท่ารู้จะของคือมันทื่อไปหมดในหัวสมองไม่ทมาํางานสติไม่ค่อยดีพอยตจะหลับไม่ดีไม่ถูก เพราะทาทดลองด้วยความตั้งสติจริงๆแต่มันก็ทื่อไปได้บางทั้งที่เราตั้งสติด้วยวิธีการไม่นอนเดินนั่งนั่งมันก็จะหลับเดินก็คอยชกสัดโซเซคอยยิ้งวงเหงาคอยจ ะ, จะหลับไม่เป็นท่าอ๋อนี่วิธีนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นท่าแหละสําหรับเรางดเดินมากๆดีหน่อยเฮ้ย แต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่ผ่อนอาหารก้าวเข้าสู่ความอดอาหารพราะผ่อนเข้าไปใจก็รู้สึกว่ามีความเบาบางความคึกความขนองของร่างกายที่ดิดผึงผังผุนผังอยู่ภายในตัวพร้อมที่จะรับสิ่งที่เสริมมาจากใจได้แก่ราคาตันหาอยู่ตลอดเวลา ก็เบาลงในขณะที่ผ่อนอาหารและอดอาหารเพราะกำลังของกิเลสตัณหาอสระภายในจิตใจไม่มีมากเพราะร่างกายก่อนลงไปไม่มีเครื่องเสริมต่อันก็เสริมกันไม่ได้ที่นี้สติปัญญาก็ค่อยเสริมตัวกันขึ้นมาได้ให้ยามฝึกฝนอบรมหลายครั้งหลายฝนก็จับเมื่อนได้จับได้ถึงขนาดที่ว่า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 กระทั่งได้อุบายอิจ ก, ก็ค่อยสงบตัวเข้าไปสติปัญญาเราใช้เสมอฉนั้นหลัการอดนี่เพียงเป็นอุบายอันหนึ่งแต่เราไม่ได้เอาเพราะการอดอาหารเอามากักเอาผลเอาสมาธิสมาบัติเอาปัญญาอาวิมุตติพ้นไม่ได้เอาจากการอดอาหารเอาด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียนซึ่ง อาศัยวิธีการแห่งการอดอาหารนี้เป็นปุ๋ยช่วยแต่อุบายของปติปัญญานั้นเท่านั้นก็สุดท้ายมันก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาโดยลำดับรำดาเห็นเห็นได้ชัดภายในตัวเองจากนั้นก็ก้าวิตที่มันดิน้นมันดีดจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่ามันดิดตลอดเวลานั้นสงบตัวลงไปเพราะไม่มีกาลังเสริม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 ความเยียบคายไปได้โดยริดับสมาธิเมื่อปรากฏขึ้นมาก็ทำให้จิตสงบรลว่มเย็นไม่วุ่นวายใ ส, ส่แสจิตอิ่มตัวเหมือนเรารับทานอิมสบายจิต อ, อิ่มตัวก็คือว่าอิ่มอารมณ์ของกิเลสตัญหาสารพศต่างๆไม่ไม่ไปเกี่ยวเนื่องจากธทรรมได้บรรจุเข้าสู่จิตคือสมาธิทสำสมถะทำบรรจุเข้าสู่ใจใจ ย, ย่อมมีความสงเมื่อ ใจได้รับความสงบได้อาหารคือทำ ม, มารตแล้วย่อมเย็นสบายนั่นแหละนําออกพินิษพิจารณาคำว่าพิจารณาพิจารณาอย่างไรอันนี้เราก็ได้ยินแต่ชื่อแต่ก่อนคําว่าสมาธิก็มีแต่ครูอาจารย์สอนให้ฟังสอนอยู่ตลอดเวลาให้เราก็ทําให้เป็นสมาธิก็เป็นไปนไม่ได้มีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายแทนสมาธิมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวางแทนความสุข สุดท้ายมันก็ปรากฏขึ้นมาดังที่กลา่าวนี่พอจากเลยร่วมรุกคูขา์มาก็เป็นความสงบความเย็นจิตใจพอได้มีที่ตรงที่วางเพราะจิตไม่ไม่ว้าวุ่นขุนมัวตลอดเวลาเหมือนฟุตบอลที่ถูกเตะติ้งอยู่ตลอดย่อมมีพักนั้นให้ใช้ปัญญาพอเราใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้แล้วแต่อุบายวิธีของแต่ละราละลายเราจะถืออะไรถือครูถืออาจารย์ถืออุบายของท่านผู้ใดามาเป็นแบบ โดยเฉพาะไม่ได้ถือก็ถืออุบายวิธีการที่เราจะเอานํามาใช้โดยเฉพาะเราให้เป็นเทคนิคอุบายของตนเองนั่นแหละเป็นของสําคัญควรจะนําออกมาใช้หาบาพนี้พี่เจนน่ะเรื่องกสกลนการนี่เป็นของสําคัญมากสําหรับจิตที่อยู่ในขั้นยากขั้นที่จะไวต่อราคาโ ท, โทรศนี่ราคาตันหานี่น่างกลายเป็นของสําคัญ พิจารณาภายนอกก็ตามภายในยก็ตามพิจารณาได้อุบายต่างๆหาวิธีการที่ใจของเราที่จะสะดุดด้วยปัญญาเมื่อปัญญาแหย่เข้าไปตรงไหนพิจารณาอุบายใดอุบา ย, บา ย, บา ย, บายจิตเกิดความสล ด, ดสำเร็จขึ้นมานั่นเป็นอุบายที่ถูกต้องแต่อุบายของปัญญาเราจะนํามาใช้ให้เป็นอันเดียวแบบเดียวฉบับเดียวดังที่เราเคยทําได้รับผลมาแล้วนั้นไม่ได้มันต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นปัจจุบันอยู่ยเสมอเรื่องปัญญาต้องให้เป็นปัจจุบันเราจะไปคิดคว่าเอาอดีตที่เคยเป็นมาแล้วได้ผลมาแล้วมีความเงียบขรายอย่างนั้นอย่างนั้นจะมาทําให้เป็นความเงียบขรายในวงปัจจุบันโดยยึดนั้นมาเป็นสัญญาไม่ได้มันกลายเป็นสัญญาภเสียรเรียกว่าเป็นปริยัติไปเลยมันไม่เป็นปฏิบัติให้ย่นเข้ามาสู่ปัจจุบันอุบายวิธีการสตินิพพิพจรารณาสติปัญญาให้เป็นขึ้นภายในตัวเองหาอุบายคิด เอาใช่ไหมอันนี้จังให้จิตมุ่งต่ออนนี้จังจริงๆพิจารณาดแูแต่แต่ละสภาพสภาพให้มันเป็นความแปรสภาพเพราะหลักธรรมชาติมันแปรอยู่แล้วทุกขังอนาตตาเหมือนกันเรื่องอรูปภาพอรุปภัง์นี่เป็นของสำคัญมากอจิตอยู่ในขั้นนี้ควรจะเจริญอรูปภาพกรรมาฐานปฏิปุรุณโสโภกเอาพิยินมิตรพี่เมื่อเราอยา ก, กําหนดเวลาเวลาอยา ก, กําหนดเที่ยวของการพิจารณาว่าได้เท่านั้นเที่ยวเท่านี้เที่ยวนั่นเป็นการคิดการคาดคะเน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 แตาสำคัญมันมหมายว่าสวยว่า ง, งามตรงไหนนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นที่ตรงนั้นจะเป็นนอกก็าตามในก็าตามสําคัญตนว่าสวยว่า ง, งามก็เกิดสมุทัยขึ้นมาที่นี่สําคัญข้างนอกว่าสวยว่า ง, งามมัานน่ารักให้ชอบใ จ, ใจก็เป็นสมุทัยขึ้นที่นั่นเพราะฉะนั้นการพิจารณาด้วยมรคเพื่อให้เป็นมรคโดยทางสติปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรสภาพฉิ่งนั้นเป็นกองทุกข์สิ่งนั้นเป็นกองอิจังเป็นทุกขังเป็นอนาตตาสิ่งนั้นเป็นธาต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 ยึดย่อมจะปอดโปร่งโล่งไปโดยลําดับกำลังนี่คืออุบายวิธีแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาสาคัญที่ว่าเรื่องของปัญญาต้องคิดต้องค้นขึ้นมาให้เป็นปัจจุบันโดยลําพังลําพังโดยเฉพาะเฉพาะเราจะไปยึดอดีตเข้ามาเป็นวงปัจจุบันเท่านั้นมันไม่ได้นอกจากจะเป็นวงปัจจุบันเป็นปัจจุบันของตัวเองเราไปคิดไปคาดมาให้เป็นอย่างเมื่อวานี่เป็นอย่างวันซืนนี้ไม่ได้นั่นไม่ถูก หากว่าจะเป็นตรง ก, รกันก็ตามก็ให้ตรงในหลักธรรมชาติในหลักปัจจุบันมันตรงกันเองก็มันเป็นอันนั้นไม่ผิดคือเป็นปัจจุบันโดยแท้นี่ ห, นหลักสาคัญในการพิจารณาเมื่อถึงเก้าเข้ามาถึงขั้นปัญญาแล้วความเรืงรูปคูกขานนั้นมันเริ่มหายไปจางไปแล้วนะอเราก็ทราบน่ะทําไมจะไม่ทราบความเรืงรูปคู่ขานเพราะอํานาจของกิเลสมันเตะมันถีบมันยันไม่ใช่อะไรในความสงบตัว เพราะการชำระสาสางความเตะความดันความก่อกวนของกิเลสด้วยอดด้วยทําด้วยสมาธิธรรมวิริยะวิริยะธรรมและปัญญาธรรมนี่ออกโดยําจัดกันไปโดยลําดับลำบสิ่งนี้ก็สงบตัวลงไปสนุกตัวลงไปกาก็มีความกล้าหาญชานใยขึ้นมายิ่งพิจารณาโดยทางปัญญาเห็นแจ่มแจ้งเข้าไปโดยลําดับมากมากน้อยเพียงไร สติปัญญายิ่งจะก้าวตัวไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยละเอียดล่อเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหมุนตัวหมุนตัวไปโดยลําดับลำดานั่นแหละที่นี่คือคำว่าความเพียรเป็นยังไงเราก็จะรู้สติเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงที่ท่านสอนไว้ในตามตลำดับลำดาลึกครูอาจารย์ท่านสอนอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นยังไงของท่านท่านสอ น, อนออกมาตามความยิงท่าน แ, แท้ๆความหญิงเราที่ฟังเป็นยังไงให้มันเห็นด้วยการปฏิบัติของเราเมื่อปรากฏว่าอ๋อสติเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้ ธรรมะอนิจจังเป็นอย่างนี้ทุกขังก็เป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้อริยภาพอริยงเป็นอย่างนี้มันเห็นในใจของเราแม้แต่จะถอนกิเลสได้เพียงคาดเพียงหมายเฉยเพียงบันบันเทาไปนั้นเดี๋ยวกำลําเริ่มศึกษาขึ้นมาอีกไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรถ้ามันเห็นประจังประจักษ์เลยสิเมื่อเห็นประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นก็ตามเถอะอเรื่องของกิเลสตันหานัะพังไปหมดมันจะทนสติปัญญาสตากำเพรานี้ไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านเพียงสอนให้เพียร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 ให้ทราบไว้แบบล่มได้ลุกได้ถ้ายังมีความเพียรอยู่แล้วต้องลุกได้ไน่ะแน่แล้วที่ก็เพียงไกลขึ้นไปเรื่อยๆเขี้ยวชันเรื่อยๆคล่องตัวเรื่อยๆสติปัญญาจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติทั้งสิ้นมีสวดๆดล้อมอยู่ในหัวใจเราผู้มีความเพียรเนี่ยไม่อยู่ไหนนะยาไปคาดอดีตว่ามีอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นสาวกองค์นั้นองนั้นในครั้งนั้นครั้งนั้นสถานที่นั้นที่นั้น นั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์ของท่านเป็นสมุทัยของท่านเป็นมรรคของท่านเป็นนิโรธของท่านเป็นมรรคผลนิพพานของท่านต่างหากนี่เป็นของเราพิจารณาอยู่นี่โทษเกิดขึ้นภายในใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องผักเครื่องรันเป็นเครื่องก่อเหตุขึ้นมาก็อยู่ในใจของเรานี่ตัวสมุทัยความเงเฟ้อเห่เหิมก็ความดึมเงื้อดึมตัวเป็นต้นเขาอยู่ในใจของเรานี้ มากกือสติปัญญาจะทาความเพียนหงุหดกันลงไปฟาดฟันนันแหละกันลงไปทก็เป็นมากของเราอยู่ในใจของเราทุกดับไปโดยลําดับพวามหน้าแทงสติปัญญาจะทาความเพียนก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์ของเราเองนี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ดูตรงนี้อย่าไปดูที่อื่นนะนันกปฏิบัติดูสดสดร้อนๆอย่างนี้ยพิเลสก็มีอยู่สดสดร้อนๆประกาศท่าทายแล้วท้าท่าทยตลอดเวลาท้าทายเราแล้วสติปัญญาเมื่อเรา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 อืโดยอ้างว่าเนี่ยเราอำนาจวาสนาน้อยเราเป็นคนบาปหนาสาหุอะไรมีนิสัยน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทึบคนล้าสมัยเ้วก็ทิ้งไปให้อดีตอนาคตยุ่งไปหมดออืแล้วทิ้งไปกับหนุนข้างพุทธการบ้างอืออดีตล่วงมาแล้วเป็นยังไงไงสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงไงความมดหวังเลยมาอยู่กับเรา ความหวังที่เละไปกินหมดเลยไม่มีความหมดหวังที่เละ ย, ยัดเข้ามาใส่เราส่วนความเรื่องที่มันจะกินมันกินไปแล้วเอาส่วนทุกข์มันยัดเข้ามาใส่ปากของเรานี่ใส่ท้องใส่กินใสใ่ใจของเังหมดหวังอะไรก็ก้าวขาไม่ออ ก, กทำเพือปฏิบัติก็ก้าวขาไม่ออกเลยหมดหวังหมดหวังนี่แหละคือถูกกิเลสมันต้มมาัอย่างเปื่อยแล้วทั้งๆ้งที่ยังไม่ตายตถ้าถ้าคาดถ้าหมายอย่างนั้น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 ไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่การสถานที่ใดๆทางนั้นแต่กิเลสคือกิเลสฝังอยู่ที่หัวใจในวงปัจจุบันนี้ธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเช่นเดียวกันธรรมสติธรรมก็เป็นเครื่องข้ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ปัญญาธรรมก็เป็นเครื่องข้ากิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้ความเปลี่ยนทุกด้านเป็นเครื่องทั้งหายกิเลสอยู่ในหัวใจเหล่านี้หมุนลงไปที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดสอนสอ น, สอนลงที่ตรงนี้แหละไม่ที่อื่นเรื่อง กองฟืนกองไฟบอ่อเกิดแจกจิตตายอยู่ที่ดวงใจใจเป็นตัวสําคัญที่จรับความแทรกสิงของเชื้อทั้งหลายฝังลงที่ใจแล้วก็ทําใจให้เป็นฟุตบอลกลิ้งไปพบนั้นกลิ้งไปพบนี้ให้เกิดในพบนั้นเกิดไปพบนี้ถ้าหากว่าไม่มีทำแทรกในใจก็จะมีแต่กิเลสมันหมุนตัวขัาดดำหรือเหยียบย่าทําลางไปให้ทําแต่ความชั่วช้าละโมกขอย่างเดียวตกเวลาตายลงไปก็จมลงไปนระกอเบจีนะ มีธรรมเป็นเครื่องแฝงกันอยู่เป็นเครื่องต้านทานกันอยู่คนเราเกิดมันก็ยังมีทางที่จะเกิดดีเกิดเช่นอย่างเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ผู้มีอานาจศาสนาลิธาสักดานุภาคด้วยความเป็นธรรมมีสมบัติพึ่งคานบริวารด้วยความเป็นธรรมเป็นเทวดาอินธม์เป็นไะได้สุดท้ายก็เมื่อบุญมีมากคุณกุศลมีมากก็หนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นทุกไปได้เลยนี่อํานาจของธรรมเป็นเช่นนี้ เขาจงตั้งใจปฏิบัปฏิบัติอย่าได้ลดได้ละความภาคเปลี่ยนเอาให้เห็นจริงอยู่ภายในใจแล้วตื่นกิเลสถูกต้มปุ๋นหลอกมาด้วยความหวังต่างๆงั่นหวังมานานแล้วมันไม่เห็นมีอะไรสมสมหวังกิเลสตัวใดามาทําเราให้สมหวังมีใหม่มันไม่เคยมีพอนี่มาพอจะกล้าข้อนี้นี้มันหลอกไปโน่นอีกแล้ว พอจะกล้าเข้ามาส่วนนี้มันหลอกมนุษนอีกแล้วหลอกมนุษย์อีกแล้วไม่เคยให้อยู่อยู่ในความอิ่มพอให้มีความสุขเพราะความอิ่มพอเพราะกิเลสจัดการให้กิเลสแต่งให้ไม่มีกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนกิเลสสร้างสมบัติเงิทนทองเข้าของกิเลสสร้างรูปสร้างเสียงสร้างปิ่นสร้างรถเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆให้อยู่ในความพอดีให้มนุษย์ทั้งหลายได้สวนความสุขความสบายตลอดไปไม่เคยมี คืนชั่วี์กิียสแล้วจะเอาความหิวความโหยความทรมานยัดเข้าไปแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปให้ติ้งไปตลอดเวลาด้วยความหิวความโหยความกระหายมีเงินเป็นล้านล้านก็ตามตึกความหิวความหายจะมันจะแทรกเข้าไปเป็นกองใหญ่เท่านั้นแหะเท่ากองเงินถ้าได้กองอีกกองหนึ่งเท่านี้จะพอดีแล้วมาอีกกองหนึ่งถ้าได้สองกองเท่านี้จะพอดีจะพอดีเรื่อยแต่ไม่เคยพอดีนี่ท่านว่านัดถิตัญหาสมานนัดถีความหิวความโหยความพยายามอยากอันใดจะเกิน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 เพามันเคยมีอันนี้มันไม่เคยมีจะเอาอะไรมาเจ อ, อะฮก็ไม่จะถูกมันต้มจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยธรรมะประกาศตังวานอยู่ตลอดเวลาเราไม่คิดไม่อ่านไม่เชื่อแล้วเราจะทํำยังไงเอาสร้างความหมังมาจากไหนสร้างกองมาจากเกียดไม่มีทางต้องสร้างความหวังจากธรรมธรรมนี่เคยให้ความหวังนแก่โลกมาม า, มากต่อมากแล้วพ้นทุกข์ก็เพราะธรรมมีความสุขความสบายก็เพราะธรรมฟังแต่ว่าทำทำําไม่เคยทําผู้หนึ่งผู้ใดให้มีความล่มจมทิหายไปบ้างเลย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 ให้กิเลสพาใช้มันได้เรื่องอะไรมันพาให้จมมามากกว่ามั่งแล้วทําไมไม่เข็ดไม่หล่ะมนุษย์เราไม่เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเราไม่เข็ดใครจะเข็ดจะให้ตาศีตาสาเขาไม่เคยสนใจกับอะไกับทำอะไรออนไลน์มาเข็ดความรู้สึกในทางธรรมนิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏเจ้าออไรมาเข็ดผู้ที่สํานึกในธรรมสําสนึกในโทษพิจิินพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังในตัวเองโดยอดโดยธรรมนี่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะ เห็นโทษเห็นไผ่เป็นผู้ทิจฉะถอดถอนได้บรรดาเส้นนามที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจพิจารณาผมนั้นเป็นห่วงพวกท่านทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่มาพูดด้วยความยินดูถูกเหยียดหยามห่วงจริงๆรับก็รับด้วยความเมตตาสงสารไม่รับด้วยความอะไรด้วยความอวดอํานาจศาสนาเยอะอย่าี่หวงนั้นไม่มีย่อเรียกว่าเรายันได้เลยร้อยทั้งร้อยไม่มีอะไรบิน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 เป็นสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้รับเองโดยที่ครูบาอาจารย์หรือใครๆก็ตามไม่ได้ไปแบ่งสรรพส่ิน เ, เอ า, เอ า, เอาได้เอาด้วยเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นเป็นสมบัติของเรามีเวลาเราม า, มาศึกษาให้ตั้งอกตั้งใจทำให้จริงให้จังนักปฏิบัติเวลานี้ร้อยหลอลอลงมากแล้วครูบาอาจารย์ปีหนึ่งตายสององค์3าองค์ององก็มีแล้วเห็นใหม่เมื่อตอนตอนตอน้ตนตน้ต น, ต น, ตนปีนี้ก็หลวงปูค่คาดีตอนปลายปีนี้ก็ หลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งตั้งนั้นถ้าเป็นครั้งคุตการน่าจะพูดว่าอย่างไงถ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระหรหันจะพูดว่าอย่างนอกจากพวกหูหัวตาบอดมันไม่เคยสนใจกับกระตัมตั้งนั้นมันจึงจะขยักขยแยงในคำว่าพระรารหารันราหันมันจะดินล้มดินตายไปด้วยความเกษร์เกษสนเพราะอํานาจแห่งกิเลสตันหาทนันนันมันสนใจไปท่านทนันทนันพวกนั้นผู้สนใจในธรรมฟังว่ า, ารหาหันราหันแล้วทำไมจะไม่ขยิ่มยิ้มย่องล่ะ พระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่านไรที่เป็นอาหารหันต์เป็นศาสนาของโลกเป็นองค์เช่านไรสาวกทั้งหลายเป็นองค์เช่านไรเป็นตัวเสนีย์จันไรของโลกหรือถึงจะพูดถึงเรื่องพระอรหันต์พูดของผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมบ้างไม่ได้มันเป็นอะไรทำไมใช่จะเคารพที่เซะจนไม่มีตับไม่มีภูมิให้มันกินให้มันยัดแล้วเอาฟังให้ถึงใจที่กันทั้งหลายที่เรศมันเอาเรามาเอาอย่างถึงใจทําไมเราจะเอามันเอาอย่างถึงใจบ้างไม่ได้เอ กิเลสมันเอาเอาเราอย่างถึงใจมันถึงจริงๆมันเป็นกิเลสทุกประเภทเป็นความโกรธความวิชาพัาบัตดาค่าจําเรียนความเครียดความแค้นแต่เราเอามันสู้มันไม่มีเครียดมีแค้นเป็นธรรมนักธรรมะรุนด้วนเอาให้เห็นกันพี่คุณค่างกิเลสคุณค่าของธรรมมันต่างกันยังไงในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้ชัดเี็ยหมดไปหมดไปมันอดคิดไม่ได้นะผมก็ดีหัวใจมีอยู่ทำไมจะไม่คิดแต่ก่อนคุณบาอาจารย์ มีหท่านในองค์นั้นก็เฉลี่ยเยียจ้างกันไปตามอัธยาศัยตนจะไปหากูบาอาจารย์นายก็ไปเพราะเป็นที่แน่ใจแน่ใจด้วยกันตั้งนานบรรดากูบาอาจารย์ที่ให้คําแ น, นะนําิดสอนตลอดการพาดําเนินเราไม่แสด้งหูแสร้งตาเพราะหลักใหญ่ก็เป็นลูกศิษย์ของกูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นปฏิบัติทาผู้พาดําเนินปฏิบัติทาที่ราบเรียบที่สุดก็คือท่านอาจารย์มั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ทั้งท่านถึงจะถึงจะแฝงไปบ้างคนเล็กๆน้อยๆไม่มากหลักใหญ่ก็อยู่ ในกฎเกณฑ์ของท่านนี่มันก็น่าไว้ใจเป็นที่พอใจองค์นั้นไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นน้ำอยู่อย่างไรกับครูบาอาจารย์องคนั้นเฉลี่ยกันไปก็เป็นน้ำไหลบ่าภาระก็พอดีพอ ด, พอดีพอดีกับครูอาจารย์ที่จะรับนี่ที่นี่หมดไปหมดไ ป, ดไปทำไง่ไม่กี่ปีมาแล้วครูบาอาจารย์องค์วิเศษดิโสเป็นทองตัง้งแทง่ทงทองแท่งหรือว่าเพชรน้ำหนึ่งจะมหมดไปหมดไปจนกระ้างไม่มีอะไรเหลือแล้วทำทำไง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 แต่เรื่องความเห็นบุญเห็นคุณนั้นเป็นมหากัตยูกตเวทีแหละไม่ต้องบอกเพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติเมื่อจิตได้ถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์แล้วต้องเป็นมหากตัตยูมหากตเวทีทันทีเลย อ, อชวนที่จะไปเกาะไปเกี่ยวเป็นวลไปเหนียวท่านเหมือนอย่างตะกอนเหมือนเด็กที่กําลังดื่มนมแม่นั้นไม่เป็นเรื่องเห็นคุณของครูบาอาจารย์นั้นยกไว้เลยทีเดียวคุณบระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์คุณครูบาอาจารย์นั้นยกไมมีอะไรเทียบเนี่ยใจของพหลานที่เห็นคุณเพราะใจ ของประหาดเทียนขุนนั้นเป็นใจล้วนๆไม่มีที่เหลือเขาไปเครือไปแฝงไปคัดค้านต้านทานบ้างเลยน่ะเราให้มันเห็นที่หัวใจของเราท่านสอนสอนลงกในจุดนี้ทั้งนั้นทั้งนั้นอย่าเห็นอะไรเป็นของประเสริฐประการัจฉันเราเคยกิ่งเกลือกล้มตายกับสิ่งเหล่านี้มานานมานานแสนนานนั่นแหละโลกธรรมแปดมันดีอะไรพี่นายจมีราบเสริมราบมียดเสริมโยดเินทาเสนิมเสริมถูกทุกแนี่ฟังสิ มันก็มีอยู่เต็มหัวใจในการในใจของเราอยู่แล้วไม่มีใครมาลินทาสนเสริโลกธรรมแปดก็เต็มหัวใจของเราอยู่แล้วแล้วตื่นอะไรเอาทําให้สังหาถึงนี้ให้มันแหลกกระจายหมดให้เหลือแต่ธรรมแท่งอยู่ที่จะเป็นยังไงลินทาสนเสริญมีไหมโลกธรรมแปดมีไหมมันไม่ได้มีอะไรมีแต่ความพอเลยอดีตไม่มีอนาคตไม่มีความฝังอย่างนั้นอย่างนี้หมดเพราะสร้างไม่เต็มที่แล้ว เรียว่าเต็มแล้วความหมังก็สมบูรณ์แล้ ว, ลวหมดไม่มีอะไรที่จะมาเกาะเกีเ่ยวอยู่นั่นแหะท่านจึงไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี่เรีหลักธรรมชาติอยู่ตามหลักธรรมชาติถึงการที่จะควรไปก็ไปไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่เสียดายเสียดายมาอะไรดินน้ำลมไฟก็ทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายนี่คืออะไรนั่นคืออะไรในตัวของเราเองและสิ่งภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเรามันก็สภาพอันเดียวกันแล้วตื่นอะไรนี่ก็เรียกว่ปัญญารอบตัว เมื่อรอบตัวจนกระทั้งรอบใจแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการต้งห่วงขอให้ทุกท่าน น, นำมาปฏิบัติเอาละไม่รู้สึกเหนื่อยนะ